นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะ c o m อาตมาพระไพบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไหาโศกทุกๆสัปดาห์ก็จะมาพร้อมกับหมอรัฐพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมทันตแพทย์นัฐพงศ์กนกวิรุณครับแล้วตอนนี้เป็นตอนที่3ามสิบนะทุกสัปดาห์ไม่เคยพลาดเลยครตอนเี่งกัน3าเดสัปดาห์ครับก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ได้ดาวน์โหลดพอดแคสต์นี้ไปฟัง แล้วก็มีฟีดแบ c กกลับมาหลายอย่างเลยหมอรัตพง์ครับดีมากเลยครับเป็นคาถามที่ต่อเนื่องแล้วก็ได้ความละเอียดลึกซึ้งเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คือจะต้องบอกว่าตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึง เ, เรื่องของความอดทนใช่ไหมแล้วก็จะทำอย่างไรอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของสติก็มีท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างประเทศคุณทิพย์ได้เขียน เ, เข้ามาแล้วก็ได้อธิบายให้ฟังถึง ประสบการณ์โดยตรงของของท่านผู้เขียนเองอทีนี้ว่าอาตมาก็คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ต่อนเนื่องกันถ้าเราจะได้ขยายความเรื่องนี้ให้มันจบๆไปเลยให้มันเต็ม<ด>ที่เพราะถ้าจะพูดถึงเรื่องความอดทนอย่างเนี้ยอีกประการหนึ่งที่มีเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเป็นตอนที่เท้ า, ทาสากัตเทวราชตอนนั้นมีสงครามระหว่างาเทพกับอสูร สงครามระหว่างเทพกับอสูรในครั้งนั้นเนี่ยก็คือฝ่ายเทพเนี่ยก็มีหัวหน้าคือเท้าวสกะเทวราชใช่ไหฝ่ายอสูรเนี่ยท้าวสกะเทวราชนี่ก็คือพระอินนั่นแหละตัวเขียวเขียวนะครับฝ่ายอสูรก็มีหัวหน้าคือท้าวเวปจิตนะท้าวเวปจิตผู้จอมอสูรทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รบกันมาต่อเนื่องกันยาวนานจนถึงสงครามครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าตะลุมบอล่ะตะลุมบอลครั้งนี้เนี่ย ท้าวเวปจิตก็บอกกับพวกเหามารบอกว่าเอาหลักครั้งนี้สุดท้ายละตะลุมบอลละใครชนะเนี่ยนะถ้าฝ่ายเราชนะนะพวกอสูรชนะต้องจับเท้าสากาเทวรามาที่พบแห่งอสูรครับอ่าพวกอ่าพระอินทนะคือฝ่ายเทวดานี่พระอินทก็บอกพวกเทวดาทั้งหลายบ น, ช, นชั้นดาวดึงเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเกิดเฉพาะในชั้นดาวดึงนะอเพราะว่าเป็นชั้นที่มีพวกมารอยู่อ่เ า, เาเราเทวดาเหล่าเทพ ก็คุยการเตรียมกันละโดยเท้าสั ก, กเทวราบอกว่าถ้าเผื่อว่าฝ่ายเทวดาชนะนะให้จับเท้าเบปจิตเนี่ยมาที่พบแห่ง เ, เทวดาก็คือที่ดาวดึงนี้ครับปรากฏว่าในการตะลุมบอลครั้งนั้นอินุมตุ้มต่ํากันเลยละ่ะก็ฝ่ายเทวดาชนะนะพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็เลยจับเท้าเบปจิตมาที่พบแห่งเทวดาที่ชั้นดาวดึงด้วยการด้วยวิธีที่เรียกว่าปัญจวิทพันธนา การจองจํา5แห่งคื อ, อล็อกแขนสองข้างล็อกขา2ข้างแล้วก็ล็อกคออีกที่หนึงโอ้าจุดครับไปไหนไม่ได้เลยครับบรรท้าวเว ป, ปจิตเนี่ยถูกล็อกมาอย่างนี้เนี่ยก็ถูกยกมาที่ธรรมสภาธรรมสภาเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระอินทร์สร้างเอาไว้เพื่อที่แสดงธรรมแล้วก็พอถูกมาที่นี่เนี่ยก็ถูกจับไว้ที่ประตูแห่งธรรมสภาพอตอนที่ท้าวสกัดเทวราชเนี่ยเดินผ่านเข้าผ่านออก เท้าพิบจิตเนี่ยที่ถูกแขวนอยู่ที่ประตูแห่งธรรมสภาเนี่ยก็ขยับอะไรไม่ได้เลยเหมอรัตพงศ์ถูกล็อกอยู่อย่างแน่นหนาอย่างเงี้ยขยับได้อย่างเดียวคือปากอ๋อครับขยับปากได้อย่างเดียวเท้าวประจิตก็ทํายังไงก็เลยดา่านั้นดา่าเท้าสักกเทราชชนิดที่เรียกว่ า, าศาสตรเสียเทเสียดา่าด้วยพระเจ้าใช้คํานี้ว่าเป็นวาจาอันหยาบคายร้ายกาจอันไม่ใช่ของสัตว์บุรุษครับนะ เรียกว่าขึ้นเวทีด่ายิ่งกว่านั้นอีกมั้งแล้วเง่าหัวอยู่ในขุดมาด่าหมดมาณนันเถอะอเออพอด่าขนาดนี้แล้วเนี่ยเท้าสกะเทวราชทํำยังไง <ทำ S 2> ใช่ไหมเท้าสกัเทวราชก็นิ่งอยู่ได้นิ่งอยู่ได้มไม่โกรธอะไเหรอครับไม่โกรธนิ่งอยู่ทูกด่าขนาดนั้นด่าเละเลยนะสาบเละเลยก็มีลูกน้องของเท้าสกัเทวราชเนี่ยชื่อเทวดาเป็นเทวดาชื่อว่ามาตลีเทพบุตร อิตามาตลีเทพบุตรเนี่ยก็เลยสังเกตเหตุการณ์นี้แล้วใช่ไหมก็เลยถามท้าวสกัดเทว ร, ราชบอกว่าข้าแต่ท่านทา้าวสกัดที่ท่านไม่ตอบโต้การกระทําของท้าวเปปจิตเนี่ยเพราะว่ากลัวหรือว่าเพราะว่าไม่รู้จะตอบอะไรนะคือบางทีเราเราผู้อื่นมาด่าเราใช่ไหมเราไม่รู้จะตอบด่าเขาว่ายังไงเราก็นิ่งอยู่น ะ, นะหรือบางทีเรากลัวเขาเราก็เลยไม่ด่าเขาตอบอย่างเงี้ยนะทช่ขหน้าด่าเราอย่างเงี้ยนะด่าเละเลย แหมเราก็กลัวเขาจะไล่เราเราออกจากงานก็เลยนิ่งไว้ไม่ด่ากลับอย่งางเงี้ยก็มีนะอิตาเทวดาชื่อมาตาลีเนี่ยก็เลยถามอย่างนี้ให้คําตอบสองอย่างว่าพราะกลัวหรือไม่มีปัญญาจะตอบโต้กันแน่ไปอย่างนั้นฝ่ายท้าวส ก, กัดเทวดาตอบอยังไงวะท้าวสกัดเทวดาก็บอกว่าที่เราไม่โต้อตอบการกระทําวาจาอันหยาบคายร้ายกาศของท้าวเวปจิตเนี่ยที่เพราะว่ากลัวหรือว่าเพราะว่าไม่มีปัญญาตอบโต้เนี่ยก็หาไม่ แต่เราเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับการสนทนานด้วยกับคนผ่านจึงไม่ตอบโต้ไว้ครับมคม น, นะครับคมคมเป็ดเลยคุยกับคนผ่านจะไป ม, มีประโยชน์อะไรท้าวสกะเทวราชบอกก็เลยไม่ตอบโต้แตนี้เทวดาชื่อมารตาลีเนี่ยฉลาดมากเลยหมอมรัตพงศ์เขาจับคีย์เวิร์ดของท้าวสกะเทวราชนะคนผ่าลท้าวสกะเทวราชพูดคําใหม่ที่มาคือคนผ่านมาตาลีเทวบุตรก็เลยบอกคนผ่านนั่นแหละยิ่งจะต้องกีดกันด้วยการลงอาทยา อไม่งั้นมันจะทําเราก่อนถ้าเราไม่ทำมันมันจะทําเราก่อนว่าอย่างงั้นอือครับเข้าใจครับเท้าสกะเทวดาตอบว่ายังไงบอทเท้าสกัดเทวดาบอกว่าการกีดกันคนพานทํำยังไงเท้าสกัดเทวดาบอกว่าบุคคลใดที่อดทนแล้วชื่อว่าคนพานนั้นได้รับการกีดกันแล้วนั่กีดกันคนพานด้วยความอดทนว่าอย่างงั้นอออืเท้าเออเทวดาชื่อมารีนี่ ฉลาดอีกเหมือนกันันะ้นหยิบคีย์เวิร์ดของเท้าสกเตวราอดทนเหรออดทนใช่ไหมถามเรื่องอดทนเลยข้าพเจ้ า, าเห็นโทษของความอดทนโทษของความอดทนนะนี่เทวดาชื่อมัตลติพูดคนผานเนี่ยจะสาคัญคนที่นิ่งเพราะความอดทนว่าเพราะความอดทนก็หาไม่แต่จะสาคัญคนที่นิ่งอยู่เนี่ยเพราะด้วยความกลัวจึงจะยิ่งข่มขีเรามากขึ้น เหมือนกับโคตัวที่ชนะข่มขี่โคตัวที่แพ้คือหมายความว่าถ้าเราแพ้เนี่ยเรานิ่งอยู่มันยิ่งจะอัดเราหนักเพราะเขา ค, คนผ่านจะไม่รู้หรอกว่าเรานิ่งอยู่เนี่ยเพราะอดทนแต่เขาจะคิดว่าเรานิ่งเพราะกลัวว่าอย่างนั้นออืครับเทวดาชื่อมาตตลีบอกว่านี่คือต้นของความอดทนอเท้าสกัดเทวราชนี่อธิบายต่อมายืดยาวมากเลยเป็นคาถาที่ยาวมากประมาณนนาครึ่งหน้าเนี่ยนะ ในคาถานั้นเนี่ยมีสรุปใจความที่สําคัญอย่างนี้บอกว่าบุคคลที่ไม่โกรธคนที่ไม่โกรธตอบคนที่โกรธมาแล้วเนี่ยชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากค <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญพรุทธเจ้าพอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะก็มาสรุปให้ภิกษุทั้งหลายฟังบอกว่าเนี่ยภิกษุในธรรมะวินัยนี้เนี่ยจะเป็นผู้ปฏิบัติหรือใคยๆก็ตามที่อยู่ในธรรมวินัยนี้เนี่ยจะเรียกว่า ง, งดงามด้วยขันติและโสดาจักขันติคือความอดทนโสดาจัก <c oughs> คือความสงบส ง, บส ง, งียบ เพราะฉะนั้นคนที่จะงดงานอยู่ในธรรมะภายในนี้เนี่ยด้วยความอดทนนะด้วยความสงบสงบเงียมคิดดูนะต่อให้คนเอาเลื่อยมาเลื่อยเราออกเป็นสองท่อนนะมาเราจะไปด่าเขาจะมีจิตแปรปรวนจะมีจิตพยาบาทอยังไม่ได้เลยนะผู้ที่ทําอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ตามตามคําสอนของพระศาสดาเพราะฉะนั้นถ้าคนเอาเลื่อยมาเ ล, ยเลื่อยเราเอ า, เอ า, เอาด่าด้วยวาจา คลองแห่งวาจาอันหยาบคายไร้กาดอย่างเงี้ยนะเวลาเขาจะด่าเราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในหอย่างอ่ะไม่ด้วยวาจาจริงก็ด้วยวาจาเท็จหรืออย่างที่สองก็ด้วยโดยการโดยไม่ใช่การอย่างที่สามก็โดยประโยชน์หรือไม่ถูกประโยชน์ใช่ไหมอย่างที่สี่ก็ด้วยวาจาอ่อนหวานหรือวาจาหยาบคายหรืออย่างที่ห้าก็จิตประกอบด้วยโทสะหรือว่าจิตประกอบด้วยเมตตาคี่ดูนะถ้าคนเขาด่าเราด้วย จิตเมตตาเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ด้วยวาจาอ่อนหวานถูกเวลาถูกเวลากันล ะ, ระเราโกรธยังมีนะนะถูกไหม ค, คือบางทีที่เราผิดจริงๆเนี่ยแม้ไม่รู้จะทำไงเราถูกเขาพูดขนาดนี้เราก็โกรธก็มีซึ่งรเราไม่ควรจะโกรธนะเราจะต้องมีจิตเมตตาเอ็นดูแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่โดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์คือหมายความว่า ถ้าเรื่องของความโกรธเรื่องของความอดทนเนี่ยมันจะต้องมาคู่กันกับเรื่องของเมตตาไงมรรตพงศ์ถ้าอย่างเมตตาเนี่ยเรามีจิตเมตตาอยู่เป็นประจำเนี่ย เ, เห็นทำในใจนะซึ่งภาคสองของเรื่องของความอดทนตรงนี้ไงคือประเด็นที่จะสืให้ทราบว่าถ้าเราเห็นแต่ความขัดเคืองอยู่เรื่อยเห็นแต่ความขัดเคืองอยู่เรื่อยนะไอ้นี่ก็ไม่ชอบใจไอ้ น, นี่นก็ไม่ดี แล้วเราวุยมันก็จะมีแต่ความโกรธเกิดขึ้นนะจะทำให้โทสะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นโทสะที่เกิดอยู่แล้วก็ละไปไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำในใจถึงเรื่องความเมตตามากๆเห็นอะไรก็มีแต่ความเมตตาก็จะทำให้โทสะที่เกิดอยู่ก็จะระงับไปได้ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ว่าอย่างในบ้านเราอ่ะในที่ทางานเรา แ<ใ>นที่ที่เราอยู่คนที่เราครบด้วยเนี่ยนะมันมีทั้งดีและไม่ดีไงใช่ครั่ะทีนี้คุณไปมองนั่นไหนกันวะถ้าคุณมอง<ช>แต่ว่า<ม>อันนี้คนนี้ก็ไม่ดีอย่างนี้ดูสิบ้านตรงนี้ก็รกคนนี้ก็ทําไม่ดีตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เสียนี้ก็พังอันนี้ก็หักอันนี้ก็ตายโอ้ยนั่นมันจะมีแต่ความโกรธเห<น> <He S 2> ็นอะไรก็จะมีแต่ความไม่ดีนะแต่ในบ้านหลังเดียวกันที่ทํางานเดียวกันคนคนเดียวกันนะเขาต้องมีจุดที่ดีบ้าง เรา<ช>ก็ไปมองแง่ดีใช่ไห ม, อมพอมองแง่ดีเนี่ยเราก็ไม่ทําในใจซึ่งความขัดเกลืองพอไม่ไม่ทําในใจซึ่งความขัดเกลืองเนี่ยโทสะที่มันเกิดมาก็ลดลงก็ไม่เกิดได้ที่มีอยู่ก็ลดลงได้ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้ตรงนี้เรื่องประเด็นของการมองโลกในแงด่ดีที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยยังลึกซึ้งกว่าที่ที่เราเคยทราบกันนะรตรงนี้เป็นการมองที่จิตของเราใช่ไหมสมมติว่าเราจะไปมองว่า เขาเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ถึงแม้เขาจะไม่ ม, มีมีข้อไม่ดีบ้างอันนี้คือมองที่ตัวคนนั้นแต่ที่พระเจ้าสอนเนี่ยเรื่องสัมมาสังกปปะนี่คือมองที่จิตเราให้เอาจิตของเราเนี่ยเป็นหลัก ใ, ในการที่จะไม่ให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมบางทีบางคนมันชั่วจริงๆนะหาข้อดีไม่มีเลยขนาดเล็บมันยังดำเล็บก็ไม่ยอมตัดเล็บยังดำเรื่องเล็กน้อยขนาดนี้มันยังไม่ทําเอา ก็อย่าไปสนใจก็แล้วกันนะครูเจ้าก็ให้ถึงขนาดว่าไม่ทําในใจเอาไว้ซึ่งซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเลยคือมองไปทางอื่นหรือถ้ายังมไม่ได้ในความคิดนี้ยังกลับ ม, มาอีกที่เราเคยพูดไปในตอนก่อนๆแล้วว่าวิธีจะละมิจฉาสังกปะอย่างไรนะบันทีก็ต้องข่มจิตด้วยจิตบ้างอะไรต่างๆนี้ครับจนกระทั่งลิ้นดันฟันเออแล้วก็จะพบว่าธารรมะนี่สอดคล้องกันหมดแม้เรื่องความอดทนก็จะมาสอดกล้องกับเรื่องเมตตาเ<ม>รื่องสัมมาสังกปะ อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็การมองโลกในแง่ดีใช่ไหมคะอ่าอ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะเกี่ยวกับเรื่องความอดทนก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าอย่างความอดทนที่เห็นเห็นว่าภิกษุในธรรมวินนี้มีอย่างพระสารีบุตรอย่างเงี้ยถูกอสุรกายถูกยักษ์เนี่ยเอาค้อนมาตีหัวไปอย่างแรงเลยนะแต่ท่านพระสารีบุตรก็ยังอดทนอยู่ได้ หรือว่าใครหลายๆท่านที่อยู่มีชีวิตอยู่ด้วยความลาบากทั้งทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังอดทนอยู่ได้อดทนเนี่ยยังรวมถึงการอดทนทางกายนะต่อทุกขเวทนาอดท น, อ, อดทนต่อเหลือบยุงลมแดดนะสิ่งความร้อนความหนาวนี่ก็ด้วยครับเป็นผู้ที่อดทนมากเถอะครับอดทนนี้ก็มองว่าทั้งกายวาจาใจให้ครบทั้งสามประการได้ใช่ไหมครับ อดทนทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจก็ได้เหมือนกันทีนี้เรื่องของกายวาจาใจเนี่ยจะเป็นลักษณะของการสร้างกรรม ค, รคือการตอบสนองที่เราจะตอบสนองไปที น, นี้ความอดทนเนี่ยเราอดทนต่อพัสาทั้งหลายที่มากระทบไงบ อ, อดทนต่อพัสาทั้งหลายที่มากระทบเราก็จะจะทำได้ก็อันนี้เป็นที่พระเจ้าบอกไวแ้แหละว่าถ้าเราอดทนนะจะเป็นผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสู่สมาธิ ที่ดูพระเจ้าอย่างยังอดทนต่อทุกเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบร้อนได้มากนะเวลาเราบอกว่าเราเป็นลูกศิษย์พระเจ้าเนี่ยเราควรจะต้องอดทนต่อแค่ง่ายๆยุงกัดอย่างเงี้ย ค, คุณนั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมอุ้ยยุงมากัดวิวิวแหมเราจะไปตบมันก็ออ ก, นก็เอาแค่อดทนแล้วกันอ <c oughs> อ, อดทนก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะเราก็จะเป็นผู้ที่อดทนต่อเหยียบเหลือบยุงลมแดดได้ จะเป็นการดีเป็นการดีมากๆเลยถ้าแค่ปัดได้ไหมครับพระอาจารย์ครับปัดได้สิปัดได้ปัดได้นะครับปัดได้ปัดได้แล้วก็ทีนี้ก็จะมาเรื่องที่สองที่จะพูดคุยกันในวันนี้ครับที่มีผู้ที่ใช้นามาผู้ศึกษาปฏิบัติถามมาครับมีครับมีคําถามมาจากผู้ศึกษาปฏิบัติแบบนี้หนึ่งนะครับพอดี มีเรื่องของเอ่อเดี๋ยวขอเนี่ยถามคาถามเลยนะครับได้ๆคือเรื่องหัวข้อว่ากลับดักของคนดีนะครับกรณีที่ความรู้สึกผิดเนี่ยซึ่งมักเกิดแก่คนที่ปฏิบัติธรรมบางท่านเช่นมักหวนกลับไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ตนเคยทำอย่างเช่นว่าเคยไล่ลูกน้องออกจากงานหรือว่าพูดไม่ดีกับแม่ เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เคยทำตอนยังไม่ได้ฝึกตนตามแนวทางพุทธศาสนาบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งปฏิบัติธรรมก็ยิ่งเห็นความไม่ดีของตนแล้วก็รู้สึกผิดเศร้าใจเกิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งจ็จะเป็นอุปสรรคในการทำจิตนะครับให้เป็นกุศลเท่าที่ทราบความรู้สึกนี้มักจะหวนกลับมาเป็นระยะระยะเนี่ย ผูถามขอความการุณาพระอาจารย์ให้แนะแนวทางแก้ไขด้วยครับคือเรื่องของที่คุณผู้ศึกษาปฏิบัติใช้คําว่ากำดักของคนดีเนี่ยนะอามามีความเห็นอย่างนี้บอว่ามันไม่มีหรอกกำดักของคนดีมันมีแต่กำดักของความอยากกำดัก<อ>งนี่หมายความว่ามันจะนําให้เราพลาดถูกไหมนะทีนี้ประเด็นตรงนี้คืออะไรเอาพูดเรื่องของเวลาที่เราทําความดีแล้วเราจะพบว่าเรามักจะหวนกลับไปคิดในสิ่งที่ สิ่งที่ไม่ดีที่ตนเคยทําถูกปะ่ะไอ้เรื่องนี้มันต้องออกมาแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมบุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทําคืนตามธรรมนั่นจะเป็นความเจริญของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยทําผิดไปแล้วเนี่ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตรงนั้นเป็นความผิดแต่นี่เราพอเราขูดกลากิเลสออกไปใช่ไหมขูดไปฟอกไปเคาะสับ เขาเรียกว่าล้างมันออกเนี่ยล้างแล้วล้างอีกเราจะเจอสิ่งที่ละเอียดละเอียดลงไปเนี่ยค่อยๆละเอียดลงไปค่อยๆละเอียดลงไปใช่ไหมเราก็ไปเจอเรื่องเก่าๆที่เราเคยทำเอาเราล้างออกไปทําใหม่แก้ไขใหม่นะแล้วก็คิดใหม่ทําใหม่พอตรงนี้ออกไปแล้วเราจะเจอไปอีกที่ละเอียดไปกว่า น, นี้อีกเอาแค่ค่ามดค่ายุงืองที่เรายังเจอขึ้นมานะสาหรับคนที่ค่อยๆขุดกราวกิเลสออกไปเรื่อยๆนะจะเจอสิ่งนี้แน่นอน ทีนี้ว่าพอเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเนะี่ยตรงนี้มันเป็นโมหะยิเลสคือโมหะเนี่ยคือความมืดโมหะนี่คือความมืดของจิตอย่างมรดโทงเคยไปเขาชนไก่ไหมเคยครับ อ, อตอนฝึ ก, น, ก, น, กนักศึกษาวิชาทหารเนี่ย <c oughs> ใช่ครับปี ส, บบสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องไปเขาชนไก่ <c oughs> ครับแล้วเวลาที่ไปเขาชนไก่เนี่ยมันฝุ่นเยอะมากเป็นสถานที่ที่โสมบ ก, ก, กที่สุดใช่ครับฝุ่นเยอะ พอมันฝุ่นเยอะเนี่ยปกตาวาต่างกลางวันเนี่ยเราก็โอ้ยไม่อยากไปทําอะไรเลยมีแต่ความสกปรกรู้สึกขยะขยงร้อนก็ร้อนอแต่พอตอนกลางคืนเท่านั้นแหละพอตอนกลางคืนเนี่ยเราชม ว, ว่าว่าฝุ่นมันหายไปไหนหมดนะเออมันค่อยข้างสบายนิดหนึ่งฮะแต่จริงๆฝุ่นไม่ได้ไปไหนเลยฝุ่นอยู่ที่เดิม อ, อแต่มันมืดเท่านั้นเองเรามองไม่เห็นมันมืดทําให้นะเราไม่เห็นแ ล, นะแล้วคิดว่าสะอาดแล้วคิดว่าดีนะเช่นเดียวกันนี่คือลักษณะของความมืด ความมืดเนี่ยเราจะไม่ได้บอกว่ามันมืดเท่าไหร่มันคือมืดมันคือมองไม่เห็นนะอย่างคุณขับรถเวลากลางคืนกับขับรถเวลากลางวันเป็นคนละเรื่องกันเลยถทัศนวิสัยคุณละอย่างใช่ครับใช่ไหมเหมือนกันโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่โทษมากคลายช้าเวลามันออกมาเนี่ยมันชนะไม่เราโอ้ยไม่ปฏิบัติหรอกคิดว่าเป็นสิ่งไม่ดีฉันทํามาถึงปานี้แล้วดีนะที่โมหะออกมาโมหะออกมาฉันก็ไม่ทําแล้วกันเลิกเสร็จเลยเสร็จโมหะเลย ใช่ไหมนี่แหละคือกับดักของโมหะไม่ใช่กับดักของคนดีใช่ไหมการที่เราทําดีดีแล้วเราเจอโมหะเราจะอัดมันยังไงทําให้ความมืดออกไปเราต้องเปิดไฟทันทีอสติต้องมีแสงสว่างนั่นก็คือทําจิตให้เป็นสมาธิปล่อยวางซะปล่อยวางเรื่องนี้ซะนะพอวางปุ๊บแสงสว่างเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็เออไม่ส่วนเราทําความดีก็แล้วกัน ปล่อยวางความคิดเหล่านี้ไปโมหะจะวางลงที่เราเจอโมหะนี้ดีมากๆนะบางคนเนี่ยมืดๆไม่รู้ว่ามืดน ะ, ะไม่รู้ว่าตรงนี้มืดเนี่ยก็จะจะพลาดท่ามันได้ทีนี้พอมาพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็จึงจะต้องพูดถึงให้มันจบก็คือเรื่องกับดักของความอยากว่าเวลาที่เราอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำมันนั้นอันนี้เนี่ยความอยากนี่ก็ดีบางคนเขาเรียกว่านักสังคมวิทยาทาง าฝากตะวันตกเนี่ยเขายังสรนเสริญความอยากว่าจะทําให้เราเข้าสู่เป้าหมายชีวิตอะไรต่างๆได้ใช่ไหม ค, คุณต้องมีความอยากสิคุณจึงจะทําอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้ความ อ, อยากเนี่ยมันมีกับดักอยู่ตรงนี้ไงหมอณพงศ์ว่ามันจะไม่เต็ม ม, ตมันเติมไม่เต็มมันเหมือนกับ อ, อยากได้หนึ่งได้หนึ่งก็อยากได้สองอยากได้สามอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเพราะว่าความอยากมันไม่ได้ลดลงไปสมมติเราได้สิ่งนี้มาแล้วเนี่ยทําไมยังมีความอยากอยู่ใช่ครับใช่ไหมอ่า ความอยากไม่ได้ลดลงไปเพราะว่าความอยากเนี่ยมันมันมันเป็นยางเหนียวเนี่ย ม, มันอยู่ทุกที่<ช>แล้วมันก็ถอดถอนได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าแทนที่จะมีความอยากเนี่ยคุณต้องมีความพอใจนะ ม, มีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทํำยังไงก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตได้ใช่ไหมตั้งเป้าหมายในชีวิตได้แต่อย่าอยากนะให้พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วทําเลย S <S มีความแต่ความอยากอย่าให้มีเพราะถ้ามีความอยากเมื่อไหร่อย่างสมมติคนอยากได้ตังค์อย่างเงี้ย ค, ความอยากถ้าอยู่ในจิตของคนที่ไม่ค่อยดีหน่อยเขาก็คิดว่าเอางี้ไปป้นธนาคารไปเรากันได้ตังค์เหมือนกัน是是มันจะผลัก<อ>ดันเราไปทุกที่ทุกทางแล้วธรรมชาติของมันเนี่ยก็จะดิดดิน้นนะไม่แน่นอนพลิกไปเป็นอย่างนี้แล้วก็จะพลิกไปเป็นอย่างอื่นวันดี3วันดี4วันไข่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย แต่ถ้าเมื่อไรเราพอใจนั่นน่ะคือเขาเรียกว่าสันโดษคอนเทนต์สันโดษครับมันก็นไออด้เ่ยวพอดีพอใจคุณนิ่งอยู่นิ่งอยู่เมื่อไหร่นะเราจะมีจิตที่เป็นหนึ่งมีจิตที่เป็นหนึ่งแล้วคุณมีกำลังคุณจะสามารถจัดการงานได้เป็นจิตที่มีกำลัง ค, ความอยากเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือเป็นเป็นราคะใช่ไหมครับตัณหา เอาเป็นตัณหานะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าดีไซน์หรือว่า Passion อย่างเงี้ยซึ่งคนบอก p a s s i ่น่นดีเหมือนความหลงแคือความแบบความหลงใช่ครับ่ความหลงความที่แบบเต็มที่กับสิ่งนี้เลยอย่างเงี้ยนะมันจะมีกับดักของเขาอยู่ก็จะต้องระวังสิ่งนี้ให้ด้วยเพราะว่ากิเลสคือราคาเนี่ยเป็นสิ่งที่คลายยากโทษน้อยแต่ว่าคลายยากคลายช้า เพราะฉะนั้นก็วิธีแก้พระเจ้าให้มาแล้วนัคือสันโดษสันโดษนี่หมายไนไม่ได้หมายเขาบว่าคุณต้องมีชีวิตอยู่อย่างลําบากนะครับนึกออกไหมมีบางคนเคยบอกอาตมาว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเนี้ยอายุการใช้งานของมันเท่าไหร่มีคนถามขึ้นมาใช่ป่ะคนหนึ่งก็บอกว่าอายุการใช้งานของเขาก็จนกระทั่งรุ่นใหม่มันออกมารุ่นใหม่ออกมาไร่รุ่นเก่าก็หมดอายุการใช้งานทันทีครับ แต่ทุกวันมันคงสั้นเลยครับเพราะลูใหม่ออกมาถี่มากเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่จบสัทีใช่ครับอืใช่ครับก็อย่างจริงๆผู้ผลิตสินค้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะจับเรื่องของกิเลสของมนุษย์ตรงเนี้ยความอยากได้นะครับก็เกว่าขายของได้เยอะเลยเขาจับทางไหนรู้ไหมหมอเสือผมจับทางไหนครับเขาจับทางผัสสมเขาจับทางโฆษณาเขาจะเอาผัสสะมาล่อใช่ไหม คนคที่จะถูกเขาจับได้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณมีความกำหนัดเพลิดเพลินในภาษานั้นไหลไปตามโฆษณาไหลไปตามคนนี้พูดอย่างนี้ดีก็เอาใช่ัหมคนนั้นว่าอย่างนั้นไม่ดีก็ปล่อยอย่างเงี้ยเป็นคนที่จะถูกลากถูลูดถู ก, กลางไปได้ค่ะท่านผู้ชเหมือนเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นทาตุทาตามอิสระตัวเองไม่ได้เป็นทาตเนี่ยเดี๋ยวนายคนนี้ก็ใช้ประามไอ้นั่นเดี๋ยวนายคนนี้ก็ไปใช้ไปทํามไอ้นี่ ใจเราไม่มีอิสระในการที่จะคิดจะเป็นจะอะไรเป็นของเราเลยผู้นี้ก็คือผู้ที่ฟุ้งซ่านเหมือนกับสัตว์หกชนิดน่ะสัตว์จะมีกำลังมากกว่าใช่ไหมดึงไปเออดึงไปเลยก็ถูกล่าถูลูถูกลางไปจิตเราก็ถูกล่าไปอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะมาจับเราทางผัสสะเราจะแก้ยังไงก็กลับมาที่เขาเรียกสิ่งที่เราเจริญสติครับเหมือนนที่นั่ เสาเกินเสาหลักของจิตเใช่คเช่นลม <ง S 2> หายใจอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่พูดง่ายๆอีกแบบหนึ่งก็คือว่าให้เป็นผู้ที่มีความสํารวมอินทรีย์มีความสํารวมอินทรีย์อย่างเนี้ยก็จะไปได้ทําได้อเพราะฉะนั้นอวันนี้เราพูดถึงสองประเด็นเนาะมาะร์ต้าปงคับคือประเด็นเรื่องของความอดทนเพิ่มเติมก็เรื่องของ กับดักของคนดีซึ่งจริงๆไม่ใช่เป็นกับดักของกิเลสครับกับดักของโมหะโมหะครับกับดักของโมหะกับดักของความอยากมีคนดีเนี่ยต้องเพิ่มเติมนี้หนึ่งว่าคุณเป็นคนดีเนี่ยคุณไปที่ไหนคุณไม่ขั้นครามใช่ครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เขาจะมาด่าแล้วว่าเธอโกหกเธอผิดศีลเธอพฤติผิดในการโอ้ยเราไม่ได้ทํานี่ใช่ไหมพอเราไม่ได้ทําเขามากล่าวหาทําไง เราก็สบายใจเราเป็นคนมีเมตตาใช่ไห ม, มแล้ ว, ก, วก็ไม่ต้องตอบโต้ใช่ไหมครับก็ไม่ต้องตอบโต้อะไรอดทนตอบโต้ตตด้วยความอดทนว่างั้นดีกว่าครับตอบโต้ด้วยความอดทนตอบโต้ด้วยความเมตตาครับแล้วพอเราเป็นคนดีใช่ไหมเขามากล่าวหาเราอย่างเงี้ยสิ่งที่เราไม่ได้ทําเนี่ยก็ลักษณะของเท่าสกัดเทวราชเลยครับก็เป็นผู้ที่ไม่สนทนากับด้วยคนผ่านแล้วก็ถ้ามีใครมาถาม เรื่องที่ไม่ดีของเราเนี่ยตออให้เขาไม่ถามนะสมมุติเราเคยทําไม่ดีมาก่อนใช่ไหมคุณเคยไล่ลูกน้องออกจากงานใช่ไหมเคยพูดไม่ดีกับแม่ใช่ไหมไม่ต้องรอให้เขาถามหรอก<ห>เราพ<ห>ูดออก ม, มาเลยพูดความไม่ดีของตัวเองออกมาจะชื่อว่าเป็นสัตบุรุษด้วยอสัตบุรุษเนี่ยคือคนดีเนี่ยแม้ความไม่ดีของตัวเองเนี่ยไม่ต้องรอให้เขาถามก็เปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวอะไรเมื่อถูกถามแต่ถ้าเมื่อถูกถามในรายละเอียดนะ ก็เล่าอย่างเต็มที่เลยไม่อ้อมค้อมหน่วงเหนียวคนนี้เนี่ยเป็นคนดีจริงๆถูกไหมแต่คนอื่นส่วนใหญ่จะตรงกันข้ามไงใช่ครับความไม่ดีจะเก็บไว้ให้ลึกที่สุดเออแล้วก็เปิดเผยในความดีพอเขอถามนะพูดนิดเดียวอย่างเงี้ยนะพอถามความไม่ดีของเราพูดนิดเดียวดีแล้วที่สิ่งเหล่านี้มันออกมาเพราะว่าทาให้เราเป็นคนละอายต่อบาปกลัวต่อบาป พอเรากลัวละอายต่อบาปใช่ฮิริโอตปะ <c oughs> ถึงเวลา <c oughs> ทําจริงๆนะโอ้ยฉันไม่ทําหรอกต่อให้มีอะไรมาล่อนะเอาอย่างผู้ชายจะไปผิดสินข้อสามอย่างเงี้ยให้เขามาล่ออย่างเต็มที่เลยนะโอ้ยฉ <c oughs> ละให้ต่อบาปฉันกลัวต่อบาปเขาจะทําไม่ลงอืม <c oughs> เป็นผู้ที่เป็นคนดีว่างั้นเถอะเข้าสู่ที่ไหน <c oughs> ก็ไม่ั่ครามครับดกน้ําที่ดกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีแต่ข้อดีแล้วมาจริงจะต้อง ชี้ชวนให้เห็นใช้แจ้งให้ปฏิบัติให้แกล้งในการทําให้ยินดีในการทําครับทําต่อไปเถอนะอย่ามาเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยว่าอย่างนั้นครับครัยชัดเจนนะครับท่านครับเออมีมีคําถามอีกหรืปล่าไหนดูนะครับอืมก็คิดว่าหมดแล้วล่ะประเด็นที่ที่เราได้ทิ้งทายเวืเมื่อข่าวที่แล้วก็จะขโมดลงตรงนี้ด้วยว่าในธรรมะอะไรต่างๆที่ อารมาได้ค้นพบเพิ่มเติมหรือว่าเป็นแง่มุมที่เราได้จากการปฏิบัติของเราเองเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าการปฏิบัติการหลีกเร้นการหลีกเร้นเนี่ยนะท่านผู้ฟังทั้งหลายลมนั้งหมอรัฐพงด้วยมันได้อา น, นิสงฆ์มากจริงๆครับอารมาเนี่ยเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งมากขึ้นในแง่มุมต่างๆเห็นความสอดคล้องกันอย่างพุทธวจนะเนี่ยเราอ่านรอบที่30สบรอบที่สี่บเนี่ยเราพบว่าโอโ้มันมันมัน มีแต่ความลึกซึ้งละเอียดลงไปอออืมากขึ้นมากิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงจะต้องบอกย้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งมากให้ทําให้อ่านให้พิจารณาให้ใกล้ครววให้ปฏิบัติให้หลีกเล่นให้เชิญจารมาที่นะให้ทําทุกวันทําเรื่อยๆทำบ่อยๆอย่าขาดอย่างเงี้จะทําให้เราดีขึ้นมาได้อที่มีคํากล่าวว่าทําให้บ่อยทําให้มากทําให้นานอย่างนี้เลยใช่ไหมครับทําให้เจริญนั่นก็คือ ทำเรื่องของอริยมรคมีองค์แปอในเช่นว่าเรื่องของท้าวเวปัญจิตเรื่องความอดทนที่ไปเกี่ยวข้องกับอุปกิเลสสิบหกแล้วยังมาเรื่องของกับดักของความอยากนะเรื่องคนดีที่เข้าในก็ไม่คลั่นคร้ามจะมาเป็นผู้มีอํานาจเหนือจิตพวกนี้มันก็จะมีความเกี่ยวข้องกันตัวอย่างต่างๆที่เรายกมาก็จะทไม่เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นด้วยล่ะอืมครับ ก, กินบา้างถ้าท่านผู้ฟังหรือว่าหมอรัตพงศ์มีประเด็นอะไรที่จะเปิดเพิ่มเติมแล้วก็มาคุยกันต่อได้ครับเนาะครั บ, บจริงๆเรื่องเรื่องของที่ความอดทนที่บอกว่าพอเราอดทนเนี่ยมันกม็มีได้ยินนักนักปราล์นักปราล์ท่านกล่าวไว้ว่า เ, เหมือนกับว่าการอย่างที่เราเราถูกว่าเราถูกว่าแล้วเราอดทนเนี่ย อ, อ ผู้ที่ว่าเราจะเหมือนกับว่าเออได้ชนะเราแต่ว่าออนักปราชญ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอดทนได้เนี่ยจริงๆแล้วเราเราชนะบนความพ่ายแพ้คือคนอื่นมองว่าเหมือนเหมือนเราแพ้เพราะว่าเราไม่ต่อสู้เฉยๆอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบอกว่าเราได้ชนะในสถานการณ์นั้น อ, อ่า อ, อใช่ใช ก, <ๆ>ก็ก็นับว่าตรงกันเลยนะครับอนนี้ก็คือสํานวนของพระอินท์ที่ว่าผู้ที่ชนะตัวเองเนี่ย คือพู้ที่ชนะสงครามอัญชนะได้ยากชนะความโกรธของตัวเองอ่ะคือเราไม่ด่าตอบใช่ไหมคือผู้ที่ชนะสงครามอัญชนะได้ยากครับแล้วพูดถึงว่าอย่างในครอบครัวหรือว่าในที่ทํางานเนี่ยคือถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยดูตัวบรรยากาศหรือสถานการณ์มันก็จะไม่เลวร้ายลงถือถ้ามีการเพียกว่าโต้กันไปโต้กันมาส่วนแล้วมันความรุนแรงมันจะมากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ตอนแกแค่ด่า เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลงไม้ลงมือใช้อาวุธใช้อะไรมีการฆ่าฟันกันใช่ใช่ครับตรงตรงนี้ก็เลยอาจจะมีคนบอกว่าต้องแกล้งโง่ไปเลยคือคนอดทนเนี่ยบางคนบอกเป็นคนโง่นะแกล้งโง่ก็แล้วกันนะโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากนี่านสมเด็จเจ้าเมืองพูดเอาไว้บางทีต้องแกล้งเป็นแบบหูหนวกแกล้งตาบอดไปเลยอ่ะไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจเอาให้ปัญหามันจบจบไปแกล้งโง่อย่างเงี้ยนะหมือนรัตพงมันจบ หมายความว่าอย่างความรู้ทางโลกเนี่ยคุณศึกษามากเข้าเห็นมากเข้าเอาเครื่องทดลองมาทดลองเห็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นแล้วมันยังสงสัยอยู่ใช่ครับใช่ไหมแต่ถ้าเราโง่โ ง, ง่บื้อบื้อไปใช่ไม่มแล้วมันจะมีความฉลาดเกิดขึ้นมาพอมีความฉลาดตรงนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นแล้วมันหายสงสยัยออืมันจบไงไแล้วเราจึงต้องโง่โงก่อนบื้อบื้อไปเลยทําสมาธิให้ได้แล้วพอมีปัญญาที่เกิดจากสมาธิแล้วเนี่ยมันหายสงสัยตรงนั้น มันจะสบายตรงนั้นรู้ได้ด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ไก่ต้องไปเลยครับปัจจัุบันเราคิดว่าประเด็นที่เราพูดมาในวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังคนไหนยังยังไม่ชัดเจนหรือว่าต้องการให้อธิบายส่วนไหนเพิ่มก็คุยกันเข้ามาได้ที่เพียวธรรมะ .com ส่งคำถามมาได้ที่เพียวธรรมะ .com นะครับ ใน <S <S เรื่องของอวันพรุ่งนี้วันสัปดาห<ช>์หน้าเราจมา <S <S คิดว่าจะต้องการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นที่่าความยึดมั่นถือมั่นเรื่องของอุปาทานนะซึ่ง<ช>มันเป็นผลที่เกิดจากตัณหาแล้วมันก็อยู่ในขันธ์ทั้งห้าเราจะอธิบายว่ามันเป็นลักษณะอย่างไงทํางานอย่างไงนะแล้วก็จะแก้ไขยังไงถึงจะถูกอืครับ ครับความยึดมั่นถือมั่นตัวนี้มีคําบาลีไหมครับท่านอุปาทยึมั่นถืออุปทานขออุปทานโอเคอุปทานครับอุปทานเน่ตัวนี้ตัวร้ายเลยนะครับครับเอวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับใช่ใช่แล้วก็ค่อยมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในตอนที่สามสิบสองที่สามสิเอ็ดก็คิดว่าาพอเท่านี้ก่อนคงั้นก็ค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ รบขอกรบาบน้ำมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูรณอภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนไหสุกจังหวัดอุดรธา น, นีครับคุณรรมพรครั บ, รบสวัสดีท่านผู้ฟังครับ